เห็นหมู่พระพุทธรูปที่หอไตรนี้ก็ทำให้นึกถึงสมัยที่มาอยู่วัดป่าสุกัตโตมให ม, ใหม่ตอนนั้นพระพุทธรูปไม่ได้มีมากมายอย่างนี้นะเรียกว่าหายากตตอนนั้นทําวัดที่สาราไก่หลังเดิมก็มีพระพุทธรูป แค่สององค์ได้มั้งสองสมองค์เป็นเป็นแก้วนะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรเป็นแก้วเนื้อหยากไม่มีพระพุทธรูปทองเหลืองอย่างที่เราเห็นอย่าว่าแต่องค์ใหญ่เลยองค์ขนาดเท่าฟุตนึงก็ไม่มีนะ มาเริ่มมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ปีสองเจ็ดหลวงพอ่งพอขาวนะหลวงพ่อขาวที่เราที่ตั้งอยู่ตรงศาลาใหญ่อันนั้นแหละคือองค์แรกนะซึ่งที่จริงแล้วนะก็สวยแต่ว่าตอนหลังก็ชลาไปแล้วก็ไม่ค่อยได้มีการ ดูแลมามีพระพุทธรูปองค์ทองเหลืองก็สักสองสามปีหลังจากนั้นก็มาตั้งไว้ที่สาราไก่ก็ปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่ที่ที่นี่แล้วนะองค์ที่เราปิดทองอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นองค์แรกที่เป็นทองทองเหลืองแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยนะ เดี๋ยวนี้ก็มีสี่สิบองค์ได้มั้งถ้ารวมสาระใหญ่ข้างบนข้างล่างสารานอกนะข้างบนข้างล่างแล้วก็ที่สาราน้ำก็คงจะสี่สิเลือดจะเกินเฉพาะข้างบนนี้ก็อ่าสิบสองสิบสามอค์เขาไปแล้วอันนี้มันก็เป็นเครื่องชี้หนึ่งความแตกต่าง ของสุโกโตนะเมื่อ 20-30 ปีก่อนกับปัจจุบันนะสมัยก่อนก็เาเรียกว่ากันดาล น, นะกุฏิก็มีไม่มากไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงน้ำปะปกก็ไม่ต้องพูดไม่มีต้องใช้น้ำฝนแล้วก็น้ำที่สูบมาจากอ่าสระ สมัยก่อนมันก็ขาดแคลนไปทุกอย่างนะรวมทั้งอาหารการขบชันก็ลำบากจำได้ว่าสมัยนั้นนี่แค่ถ้าวันไหนมีปลากระป๋องก็ถือว่าวิเศษแล้วถ้ามามา่าด้วยก็ยิ่งดีแต่เดี๋ยวนี้ก็เราจะเมินกันแล้วก็ได้เพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ดีกว่านั้น อันนี้มันก็สะท้อนถึงสภาพของของบ้านเมืองด้วยก็คือว่าบ้านเมืองก็มีความเจริญแล้วก็มีความร่ำรวยมากขึ้นเดี๋ยวนี้ขนาดวัดปา่าไกลๆอย่างเช่นภูหลงเนี่ยจีวนระนี่ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งไม่มีที่เก็บนะ ไตรนี่ไม่มีไม่รู้กี่ชุดบริจาคไปแล้วก็ยังมีที่นี้ยิ่งแล้วใหญ่ก็นึกเชื่อว่าคงจะมีเยอะมากสมัยก่อนบาทสเตลเลตก็หายากอย่างตัมมานี่ก๋วยได้บาทสเตลเลตมาก็ต้องประมาณบวชได้แปดพรรษาแล้วถึงจะได้ใช้ บาสเ ต, ต, เ, ตเลตเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นบาทที่รับเข้ามาเป็นเซคเกิลแฮนหลังจากที่มีพระเขาศึกแล้วเราก็ได้ได้ใช้สักทีก่อน น, น, นั้นก็เป็นบาทเหล็กแต่เดี๋ยวนี้บวแค่สิบห้าวันก็ได้ใช้บาทสเตเลตแล้วมันเพราะว่ามันมีเยอะสมัยนี้เขาเรียกว่าสมัยบริโภคนิยม นะวัตถุสิ่งเสพก็เลย เ, เกิดขึ้นมากซึ่งมันก็มีข้อดีก็คือว่าสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียคือว่าเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆน้อยลงก็ทำให้มีการใช้จ่ายใช้สิ่งของต่างๆฟุ่มเฟือยมากขึ้น จำได้ว่าสมัยก่อนนี่หลวงพ่อท่านมีผ้าลักอกอยู่ผืนหนึ่งท่านใช้ในสิบกว่าปีท่านดูแลอย่างดีเวลาซักนี่ไม่มีไม่มีการขยาไม่มีการขยี้นะแค่ีบีบชดเฉยๆบางทีไม่บีบดด้วยซ้ำนะแล้วก็ตากตากแดดพึ่งลมเอาไว้ตากแดดก็พยายามตากแต่น้อยเพราะว่ามันทำให้ผ้านี้เสียเร็วก็พึ่งลมเอา แต่ไม่มีการขยำไม่มีการขยี้นะพราะจะทำให้ผ้ามันเนื้อมันเสียเร็วก็แค่บีบเอานะก็ทำให้ใช้ได้นานทั้งทั้งผ้ารัดอกผ้าจีวรหรือว่าสมบงอังสะในส่วนหนึ่งเพราะสมัยนะั้นมันผ้าจีวรนนี่หายากมีน้อยนะก็ต้องรักษา อันนี้ก็เป็นมาตลอดนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคือของปูนอย่างนี้หายยากผ้านี้ก็ต้องไปเก็บมาจากจากสุ ส, สานป่าช้าผ้าหอ่อศพแต่ตอนหลังก็สะดวกมากขึ้นมีผ้าสาเร็จรูปแต่ว่าก็ต้องดูแลรักษาให้ดีเพราะว่าไม่ได้มีเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะมากจงทั่งั้งทีเราก็ใช้กันแบบไม่ระมัดระวัง ถ้าจะว่าไปแล้วนี่พระสมัยก่อนเนี่ยจบจนกระทั่งมื่อเร็วๆนี้นี่ท่านใช้สิ่งต่างๆนี่ประหยัดมากดรเพพาะพระในป่าอย่างสวนโมเนี่ยนะท่านหลจถาผู้เธทาสถท่านมีแหนบนแหนบดึงหนวดอยู่แหนบถอนหนวดอยู่อันหนึ่งท่านใช้มาตั้งแต่พรรษาที่สองจนตลอดชีวิตจนเกือบจนวาระสุดท้ายแหนบนั้นอายุ ป, ประมาณเจ็ดสิบปี เป็นแหนที่ทํามาจากไอ้มาจากการปินน่นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปิ่นโตเป็ น, ปนการปิ่นโตแล้วก็มามาฝนมาทําให้เป็นแห น, น, นการปิ่นโตนี่มันก็มันก็หนานะแต่มันทนท่านก็ใช้มาเป็นเวลาเจ็ดสบปีอันนี้ก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันหายากทีเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็มี ของพวกนี้ก็เป็นของหาง่ายนะแต่ท่านก็ถือว่าของอะไรก็ตามต้องใช้อย่างประหยัดแล้วก็ใช้อย่างมีคุณค่าที่สุดนะขนาดทิชชู่นะมีเล่าว่าถ้าจาพุทธาในเวลาน้ำแกงมันหกเลอะโต๊ะท่านก็ใช้ทิชชู่ดึงมาแค่ แ ค, แค่ตอนเดียวทิชชู่จะเป็นม้วนๆ น, นนะดึงมาแค่ตอนเดียวมันมีรอยปลุกอยู่ก็ดึงมาแค่ตอนเดียวแล้วก็มาซับพอฉันเสร็จพระอุปัฏฐาก็จะเก็บกระดาษทิชชู่นั้นท่านก็บอกว่าอย่าพิ่งให้มันแห้งก่อนแล้วมันใช้ใหม่ได้นะใช้ใหม่ได้ถ้าไม่ทิ้งนะขนาดแค่ทิชชู่ตอนเดียวนะท่านดึงท่านก็ เอามาใช้ได้อีกสมัยนะั้นที่ชู่เป็นของหายากแต่สมัยนี้ที่ชูก่กลายเป็นของง่ายง่ายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราใช้ไม่ค่อยระวังคือว่าเราใช้เหมือนกับปัจจัยที่ห้าจ้าเกิดไปชันที่ไหนไม่มีทิชชูน่นี่เหมือนกับว่าจะฉันไม่ได้นะถ้าไม่มีทิชชู่ต้องเรียกหาบางทีถึงขั้นพอใช้จนเพลินก็พอไม่มี ก็จะซื้อขอให้ซื้อสมัยก่อนทิชชู่มันไม่เยอะนะพอใช้ทิชชู่มากๆนี่พอหมดเข้าก็มีการเรียกร้องขอซื้อทิชชู่ขอให้ทางแม่ชีไปซื้อทิชชู่มานะก็ห้ามเอาไว้เพราะว่าแสดงว่าเรากําลังติดทิชชู่แล้วใช้ใช้ทิชชูจ่จนกระทั่งมันต้องซื้อสมัยก่อนนี่ไม่ซื้อนะเพราะว่า ใช่เพราะว่ามีคนถวายนะถ้าซื้อตลอดเวลาก็เราก็จะใช้แบบไม่ระมัดระวังเดี๋ยวนี้เวลาหยิบทิชชู่นี่เห็นหยิบทิชชู่แล้วก็เสียดายมันคือหยิบกันหลา ย, ลายแผ่นนะหยิบมาเป็นกระจุกเลยแล้วก็ใช้ไปเดี๋ยวเดียวคือแค่เช็ดปากแล้วก็ทิ้งนะอันนี้ลําแสงว่าเราไม่ค่อยเห็นความสําคัญหรือเห็นคุณค่าของกระดาษ บางทีมันใช้แค่แผ่นสองแผ่นก็ใช้ได้ละไม่ใช่หยิบมาเป็นดึงมาเป็นกระจุกแล้วก็เช็ดปากเสแสกขยาทิ้งมันก็เป็นสะด้ยินความว่าเราเราไม่ค่อยระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะคิดว่ามันมีมีใช้ได้เรื่อยๆนะบางทีทั้งงดใช้บางก็ดนะีเราจะได้รู้ว่าเออใช้ ้าเช็ดหน้าก็ได้เนะพราะไม่งั้นเราจะติดนะไปพึ่งพากระดาษทิชชู่จนกระทั่ ง, งเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าห้องน้ำไม่มีทิชชู่ก็เข้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าใช้น้ำไม่เป็นใช้น้ำล้างใช้น้ำทำความสะอาดไม่เป็นเคยขำฝรั่งนะฝรั่งมาเมืองไทยนี่ห้องน้ำไม่มีทิชชู่มันทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าขี้แล้วนี่ ไม่มีทิชชูเนี่ยมันทําให้เป็นก็เคยนึกข่ามว่าก็ใช้น้ําสนะิเราก็ใช้น้ํากันมาเป็นนี่เป็นธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้คนไทยก็เป็นอย่างนี้เยอะเราใช้ทิชชูจนกระทั่งถ้าเข้าห้องน้ําแล้วไม่มีทิชชูก็ไม่รู้จะจัดการกับไอ้กับตัวเองอย่างไรเนะนีราก็ต้องพยายามที่จะรู้เท่าทันด้วยโดยเพราะ พวกเราซึ่งเป็นชาววัดเราก็อาศัยพึ่งพ า, าญาติโยมเขาบริจาคมาก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังทุกเรื่องตั้งแต่อาหารจีวรแฟบสบู่ทิชชู่น้ำของพวกนีต้องต้องดูต้องใช้อย่างประหยัด พระเวลาพิจารณาเนี่ยก็พิจารณาว่าชีวิตของเรานื่งโดยผู้อื่นเราต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอาการเลี้ยงง่ายของเรานี่ก็หมายความว่าแม้จะมีเยอะแม้จะของจะมีมากแหลแต่เราก็ใช้อย่างประหยัดแสบเอายสบู่เอาย้ำยาซักผ้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีน้ํายาซักผ้าก็ก็ใช้กันไม่เป็นลวแฟบนะเพราะว่าเรา จะเรียกว่าติดติดสบาทติดสำอางมากก็ได้คือต้องใช้ที่มันมีกลิ่นหอมนะถ้าไม่มีก็ต้องไปหาซื้อมานะสมัยก่อนไม่มีอะไรสักอย่างนะจําได้เนนเนเนที่เนี่ยนนะทูฟันที่ใช้แฟบทูนะไม่ได้ใช้ยาสีฟันนะใช้แฟบไม่รู้มคงไม่รู้ไม่รู้เรื่องมั้งเห็นว่ามันมีฟองก็ใช้ แต่สมัยนนะั้นมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะจริงๆนะยาสีฟันก็ไม่ได้มีมากฉันต้องระวังสบู่แม้จะมีเยอะก็ต้องใช้ให้มันถึงที่สุดแล้วก็ต้องต้องวางเป็นที่ด้วยเพราะถ้าวางไม่เป็นที่หนูก็มาข้าปอาไปแล้วหนูมันฉลาดมากเลยแม้เอาเอาขันเนี่ยปิดเอาไว้ ขันปิดเอาไว้นี่มันก็หาทางเปิดขันออกมาได้นะเคยแขวนแขวนคู่ น, นะแขวนคู่ไว้กลางผูกไว้กับราวตากผ้าแขวนคู่เอาไว้ที่ราวตากผ้าแล้วก็เอาสบู่วางไว้แล้วเอาขันปิดอีกทีหนูมันยังเอาออกมาได้เลย เห็นกับตาเลยว่ามันออกมาได้ยังไงเห็นมะั็นคาบเห็นมันค า, าบสบู่แล้วก็เดินอยู่บนลาวตากผ้ามันเอาไปได้แล้วนะไม่รู้มันเปิดได้ยังไงนะมันเปิดมันเปิดขันแล้วก็เอาออกมาได้โดยที่ขันนี่ไม่ครอบตัวมันตอนนั้นที่ขันนี่ก็อยู่ในคูด้วยนะและ้วคูนี่ก็ผูกไว้อยู่บนราวตากผ้า มันก็โรยตัวลงมาได้แล้วก็ออกไปมันฉลาดมากแล้วเราต้องฉลาดกว่ามันนะต้องเก็บเอาไว้ให้ดีอย่าไปคิดว่าเรามีมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องระมัดระวังน้ําไฟก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เรามีไฟฟ้าใช้มากโดยเฉพา ะ, ะแต่ละคนก็ใช้โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้เพราะว่าค่าไฟทางรัฐก็จ่าย นั่นก็ยิ่งทำให้เราสึกว่าไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนอะไรไฟที่ใช้กันมากเนี่ยอันนึงก็คือไฟที่ต้มน้โนอน้าน้ำร้อนอ่ะนะจะสังเกตว่าหลายเวลาต้มน้านี่ก็มักจะเติมน้ำเข้าไปจนเต็มเต็มหม้อเต็มกาแล้วก็เสียบไฟทั้งวันเสียบเพื่ออะไรเสียบทั้งวันเพื่ออะไรก็เพื่อว่าสามารถจะ มีน้ำร้อนกินได้ตลอดเวลาต้องการน้ำร้อนก็กดเท่านั้นเองก็ได้แต่หารู้ไหมว่ามันเปืองไฟมากนะมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นแล้วก็ฝึกเราได้ด้วยคือว่าเติมพอสมควรสักหนึ่งในสี่นะของของกาแล้วก็ถึงเวลาจะจะกินก็เสียบเอาพอมันร้อนอา้าวก็ก็กินแล้วก็เติมสายมันใน ในกระติกน้ําเก็บน้ําร้อนไว้ในกระติกน้ำกระติกน้ําก็ไม่ต้องใหญ่นะก็พอประมาณก็สามารถจะกินได้ครึ่งวันได้พอต้องการใช้น้ําร้อนก็เติมใหม่นระอหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่ก็ดีคือฝึกให้เราอดทนให้รู้จักคอยเพราะเดี๋ยวนี้เราคอยกันไม่เป็นความสะดวกสบายกลายเป็นพระเจ้าทุกอย่างต้องเร็วนะ กาแฟก็ต้องเร็วเป็น instant coffee มาม่าก็ต้องเร็วหนึ่งนาทีกินได้ทุกอย่างมันเร็วหมดจงกระทั้งคอยไม่เป็นแต่เราพาะ ป, ป่าหรือว่าเป็นชาววัดไหนๆจะมาเรียกตัวเงว่าเป็นวัดป่าแล้วก็ต้องรู้จักคอยได้มันก็ไม่ได้คอยนานเท่าไหร่สินาทีน้ำก็เดือดแล้วถ้าเติมน้ำไม่มาก แต่ถ้าเติมน้ำทั้งทั้งกาเนี่ยมันก็นานยี่สิบนาทีมั้งคนเลยก็ไม่อยากไม่อยากจะคอยก็เลยต้องเสียปักตลอดไปเลยก็ยิ่งเปลืองไฟแล้วก็ได้ใช้จริงๆไม่เท่าไหร่ล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เรารู้จักประหยัดไฟแล้วก็เป็นการฝึกให้รู้จักคอยนยมีการวางแผนสักหน่อยมันก็ไม่ยากอะไรน้ำร้อนเติมมันเติมมากๆแล้วก็เติมใส่กาเอาไว้ก็ใช้ก็กินได้ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ช่วยช่วยประหยัดไฟแล้วก็เป็นการฝึกเราด้วยนะความประหยัดเนี่ยสมัยก่อนถือว่าเป็นคุณธรรมนะถือว่าเป็นคุณธรรมอันหนึ่งเป็นคุณธรรมเพราะว่าโดยเพาะกับพระกับนักปฏิบัติเพราะว่าหนึ่งมันทําให้เราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นมากนะักเพราะช่วยตเราต้องพึ่งผู้อื่นถ้าเราไม่ประหยัดกคือเราไปเบียดเบียนคนอื่นสองมันฝึกให้เรารู้จักอด รู้จักระมัดระวังใช้สิ่งของด้วยความใส่ใจช่วยทาให้เกิดความละเอียดละออมากขึ้นอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าธรรมะเป็นของละเอียดละออก็ต้องอาศัยจิตใจที่ละเอียดละออด้วยแต่ถ้าเราใช้ของแบบสู่ด้วยสูร่ายหรือไม่ค่อยรับผิดชอบไม่ค่อยใส่ใจจิตใจเราก็จะไม่มีความละเอียดละออนะ ก็จะขาดความเป็นคนช่างสังเกตแล้วที่จริงแล้วเนี่ยมันยังเป็นการทำให้เราเบียดเบียนทำให้เราเกิดความเคารพสิ่งของที่ใช้ด้วยฟังดูก็แปลกนะการเคารพสิ่งของที่เราใช้อาหารที่เรากินสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ คนเท่าพ่อแม่ก็สอนว่าเนี่ยกินต้องกินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดนี่มันบาปนะเพราะว่าคนหนึ่งเขาไม่มีกินเหมือนเราเราได้กินคนนึ่งเขาก็อดกินชาวบ้านสมัยก่อนไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ก็จำเป็นต้องฆ่าแต่เมื่อฆ่าแล้วก็ต้องใช้ให้มันให้เปิดเกิดประโยชน์เต็มที่คนไทยสมัยก่อนนี่แม้แต่อยู่แถวตามลําน้ํา ปลานี่ใช้มือเปล่าจับยังได้เลยเวลาทอดแหานี่ได้ปลาได้ปลากันเป็นเยอะแย ะ, แยะหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าแล้วอ้จับปลามันได้เยอะเหลือเกินปลานี่มันมาต่อใช้จับมือเปล่าก็ได้ขนาดอีสานนะยิ่งเจ้าพญายนิ่งเยอะใหญ่แต่ชาวบ้านก็กินปลาแห้งกันเยอะทําไมถึงกินปลาแห้งทั้งที่ปลานี่อยากจะจับเมื่อไหร่ก็จับได้เมื่อนั้นตั้งตั้งหม้อแล้วไปจับได้เลย ก็เพราะว่าเขาจับไม่ได้เยอะเขาก็ต้องกินให้มันหมดถึงแม้จะต้องตากก็ก็จำเป็นต้องตากก็ยอมไม่ใช่กินทิ้งกินคว้างเพราะว่ามันเป็นชีวิตเขาชีวิตหนึ่งนะเมื่อกินแล้วก็ต้องเมื่อจับมาแล้วก็ต้องกินให้หมดกนะารทิ้งขว้างเป็นการไม่มีคุณธรรมแม้แต่ข้าวก็เหมือนกันนะก็ถือว่าข้าวนี่ก็มาจากแม่โพสก็มีชีวิตนะมีวิญญาณนะันะ่งกินก็ต้องกินให้หมด ไหนจะเบียดเบียนเเราก็ต้องเบียดเบียนให้มันให้น้อยที่สุดก็โดยการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคุณธรรมหนึ่งเลยนะการประหยัดการใช้สิ่งต่างๆอย่างให้เกิดประโยชน์เต็มที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สะดวกสบายนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่สําคัญเท่ากับการพยายามใช้สิ่งต่างๆเต็มที่ แม้แต่น้ำซึ่งหาได้ง่ายถ้าคนควรสมัยก่อนนี่น้ำามันหาได้ง่ายมากนะคนภาคกลางก็แต่กรุงเทพนี่ที่ไหนก็มีคลองแต่เวลาเขาใช้น้ำน้ำล้างจานนี่เขาไม่ทิ้งเปล่าเขาก็จะเอาไว้ล้างเอาไว้ลดต้นไม้เอาไว้ลดต้นไม้ไไมที่สาระไก่นี่สมัยก่อนนี่ตรงที่ตรงที่ล้างจานก็คือตรงที่มีต้นไม้ปลูกต้นไม้เอาไว้ พอล้างจานเสร็จนะก็น้ำล้างจามก็เทลงไปต้นมีต้นมาันนาต้นหนึ่งโอ้มันดกมากเลยจําได้ปะแม่เพียนต้นมันนาโอ้ยมันาวต้นนี้มันออกดอกดกทั้งปีนั่นปะโอ้แล้วก็หลังจากนั้นแล้วพอเปลี่ยนที่ล้างจานแล้วมันนาต้นนี้ก็ไม่ไม่ออกดอกไม่ออกผลเท่าไหร่เลยแล้วก็ตอหลังก็ถูกตัดไป รนะ้านบางจานนี่มีค่ามากนะเอาไว้ลดต้นไม้ได้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดคนไทยสมัยก่อนนะคือจะต้องรียูสหรือจะต้องรีไซเคิลมันจนถึงที่สุดจริงๆในเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะแต่ไม่ใช่เรื่องน้ำเป็นเรื่องจิวรนะมีคราหนึ่งพระนางสามเณรอดีมีศรัทธาในพระอา น, นนท์มาก ที่มีสีศรัทธาในคณะสงฆ์ก็ถวายจีวร อ, อย่างดีให้กับคณะสงฆ์เป็นจนํานวนมากเพราะว่าที่นั่นมีพระเยอะพระนางส า, มาวมารดีนี้ก็เป็นมเหมสเเนะีพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนตอนนั้นก็ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือคณะสงฆ์ก็สงสัยว่าจีวรมากๆนี่เอาไปทําอะไรนะพระนี่ทําไมถึงต้องการใช้จีวรเยอะก็ไปถามพระหนุนว่าจีวร น, นี่ไปทําอะไร พระนุ่งก็บอกว่าจีวรใหม่นี่ก็เอาไปแทนจีวรเก่าที่คําคร่าพระเจ้าอุเทนก็ถามต่อว่าแล้วจีวรเก่าค้ำคร่านี่เอาไปทําอะไรเมื่อเมื่อมีจีวรใหม่มาทดแทนแล้วจีวรเก่าเอาไปทําอะไรพระนุ่งก็บอกว่าเอาไว้ปูปูนอนจีวรนี้เอามาปูนอนจีวรเก่านี่มาปูนอนอและปูแล้วจีวรที่ปูนอนอันเดิมนี่เอาไปทําอะไรท่านก็บอกว่าเอาไว้ ปูนั่งแล้วของเดิมที่มีจีวรที่ปูนั่งมีผ้าปูนั่งมาแทนที่แล้วของเดิมไปทำอะไร <c oughs> ก็เอาไปเช็ดเท้านะเอาไว้ลองเท้าเอาไเช็ดเท้าแล้วผ้าเช็ดเท้าอันเดิมเอาไปไว้ไหนเอาไปทำอะไรนะก็ไปทำเป็นผ้าคีรุลแล้วผ้าคีรุลอันเดิมไปทำอะไรก็ฉีกแล้วก็ไปผสมกับ ฉีเป็นชิ้นชนและไปผปสมกับดินนะมามาทเป็นมาผสมดินแล้วก็มาทำเป็นผนังนะเหมือนกับบ้านดินก็เอาเศษจีวรที่เหลือจากผ่าคีรุ่นะมาทำาเรียกว่าไม่มีการทิ้งเปล่าเลยมีการเอามาใช้เป็นขั้นๆไปจนทั่งกลายเป็นแม้เป็นขยะแล้วก็ยังเอามาใช้เป็นเอามาฉาบเป็นผนังได้ นะพระเจ้าอุเทนก็เลยศรัทธาศนระัทธาพระในในคณะสงฆ์มากว่าเนี้ยเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจริงๆอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพระเราก็ทำกันมาเรื่อยเนะพราะสมัยก่อนมันก็เป็นสมัยที่อะไรแล้วก็หายาก สมัยบริภพนิยมน้ำพึ่งมีมาสมัยนี้นั่นแหละเดี๋ยวนี้อย่างที่เราเห็นนะก็คือว่าพระพุทธรูปเนี่ยซึ่งเคยเป็นของหายากนะก็กลายเป็นของหาง่ายขึ้นมานะองค์ใหญ่ๆก็มีคนสร้างมีคนถวายท่าขอสมัยก่อนต้มูบูชาเนี่ยมีเฉพาะใช้ในวังต้งมูบูชาหรือว่าพวกพวกพวก ของที่ใช้ในอย่างเช่นที่ที่กรวดน้ำเนี่ยก็ใช้เฉพาะในวังนะไม่มีนะต้ะหมูบูชาในที่จะมาเห็นในในวัดทั่วไปอย่างสุโกโตก็ไม่มีโต๊ะหมูบูชานะเพราะว่าเป็นของหายากนะเดี๋ยวนี้ก็มีเันเกลอไปหมดนะขนาดผู้หลงนี่ก็มีไม่รู้กี่ชุดนะก็ต้องแจกกไปบ้างน ะ, ะที่นี้ก็ยิ่งก็ยิ่งหาได้ง่าย อันนี้ก็ เ, เป็นยุคบริโภคนิยมนะที่อะไรอะไรก็หาง่ายคนก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าแล้วก็เลยใช้อย่างไม่ระมัดระวังเดี๋ยวนี้ก็เลยคนก็เลยเกิดความสงสัยคนรุ่นให ม, ม่เกิดความสงสัยว่าทําไมต้องอยู่แบบเรียบง่ายด้วยทําไมต้องประหยัดด้วยนะเคยมีนักศึกษามาถามว่าทําไมต้องประหยัดทําไมต้องอยู่แบบเรียบง่ายในเมื่อมันมีเยอะแยะไปหมดนะมันต้องประหยัดเลย แต่เขาลืมไปว่าความประหยัดนี่เราไม่ได้ประหยัดเพราะของมันหา ย, ยากนะคนที่เขาจะาประหยัดเพราะของหา ย, ยากนกี่ก็เหตุผลหนึ่งแต่ว่าถึงแม้มีมากก็ยังต้องประหยัดอย่างที่พูดได้ว่าปลานี่แม้จะหาได้มากมายหาได้ง่ายแต่ว่าเขาก็กินนะกินจนกินจนหมดอนะนะนม้จะต้องตากต้องหมักก็เอาดนะีดีกว่าไปไปจับเอาปลาสดๆมากินมันไปเบียดเบียนเขา ถึงแม้มีมากน้ำจะมีมากก็ใช้อย่างประหยัดเพราะว่ามันเป็นการฝึกให้เราเคารพสิ่งต่างๆแล้วใช้สิ่งต่างอย่างมีคุณค่าแล้วข<อ>้อดีอีก อ, อ, อย่างนึงคือว่าพอเราใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วเนี่ยชีวิตเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุมากคนเราถ้าไม่รู้จักอยู่กับเรียบง่ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปพึ่งพาวัตถุ อย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยกินอาหารถ้าไม่มีทิชชู่เนี่ยกินไม่ได้ละเข้าห้องน้ําถ้าไม่มีทิชชู่เนี่ยเข้าไม่ได้และนะกลายเป็นว่าเราเป็นทาตของกระดาษชําระหรือว่ากระดาษเช็ดปากเนี่ยขณะเรื่องง่ายๆรวมทั้งการเดินไปไหนมาไหนใช้รถใช้ลาตลอดเวลาพอไม่มีรถนี่ก็เดินไม่ได้ สมัยก่อนเนี่ยจะไปท่ามาไฟสมัยก่อนจะไปแกล้งคอชยัยภูมิก็ต้องเดินเดินอย่างเดียวจากนี่ไปขึ้นรถที่ท่ามาไฟนะแต่ตอนหลังพอมีรถสะดวกก็ตอนนี้เดินก็ไม่เป็นแล้วนะถ้าไม่มีรถนี่ก็ก็ลําบากแล้วไม่รู้จะทํำยัำยงไงก็ต้องขนขวายหารถมาให้ได้ความคิดที่จะเดินไปท่ามาไฟมันไม่มีแล้วหรือว่าจะเดินไปกุดงงก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามันชินเนี่ย เทคโนโลยีเนี่ยมันให้อิสรภาพากับเราก็จริงนะเทคโนโลยี Technology, เนี่ยเทคโนโลยี Technology, หรือวัตถุต่างๆนี่ให้อิสรภาพกับเราก็จริงแต่มันให้มันก็ทำให้เรากลายเป็นทาตด้วยคือเป็นอิสระจากความลำบากแต่ว่ากลายเป็นทาตของความสบายนะอิสระภาพของคนยุงนิ้มเป็นอย่างนี้คือเป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่ชอบแล้วกลายมาเป็นทาตของสิ่งที่ชอบนะ เราไม่ชอบความยากลำบากเราก็เลยหาเงินหาทองหาเทคโนโลยีมาแล้วเราก็เลยเป็นอิสระจากความยากลาบากแต่เรากลายเป็นท่าของความสบายนะถ้าไปไหนก็ติดสบายนะถ้าไม่สบายก็ไม่เอานะวัดป่าก็คนในวัดป่าก็กําลังจะมีแนวโน้เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆถ้าไม่ระมัดระวังก็คือว่าติดสบายนะ เราเป็นอิสระจากความลําบากแต่ไปติดสบายนี่มันก็แสดงว่าก็ก็เหมือนเดิมก็คือยังเป็นท่าอยู่นั่นแหละนะบางทีการอยู่กับความยากลาบากอาจจะดีซะอีกนะก็คือทําให้เราอดทนทําให้เราเข้มแข็งมีภูมิต้านทานความยากลําบากนะพอติดสบายแล้วมันก็อ่อนแอไปหมดนะจะทำอะไรก็ไม่ได้นะไม่ชอบนะบางทีมีพระหลายรูปติดสบายที่นี่ พอไปผู้หลงนี่อยู่ไม่ไดนะ้อยู่ได้ไม่กี่วันก็จะขอกลับนะทั้งๆที่ผูหลงไม่ได้ยากลาบากอะไรแต่ว่าติดสบายเสร็จแล้วที่นี่นะนะก็เลยนะนะไม่เอ า, เอาบอกว่าบินทบาทไกายบ้างกุติซอมซ่อบ้างอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราสร้างพันธนาการให้กับตัวเองเพราะว่าการติดความสบาย นี่เกิดเพราะทำไมเราถึงต้องรู้จักอยู่แบบเรียบง่ายประหยัดเพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นท่าของความสะดวกสบายมันทำให้เรามีอิสระที่จะไปไหนได้ถ้นะาคนเราถ้าเราไม่ปิดไม่เป็นท่าของความสะดวกสบายเราก็จะสามารถค้นพบความสุขท่ามกลางความยากลำบากนะในท่ามกลางความยากลาบากมันก็มีความสุขให้เราได้สัมผัสได้เพราะวาความสุขที่แท้เป็นเรื่องใจ ถ้าไปพึ่งพาความสุขจากความสะดวกสบายก็จะไม่มีทางพบความสุขที่แท้แล้วไม่มีทางพบความอิสระที่แท้ด้วยแต่ถ้าเราอยู่ความยากลาบากแล้วเรามีความสุขได้นั่นก็แสดงว่าเราได้ค้นพบแล้วว่าจริงๆแล้วกุญแจงความสุขที่แท้อยู่ที่ใจและความอิสระที่แท้ก็อยู่ที่นี่อันที่ให้เดินธรรมยัตตาทุกปีทุกปีเหตุผลก็เพราะเหตุนี้ก็คือว่าให้มันได้เจอกับความยากลําบากมัาง แล้วก็รู้ลองดูว่าเราจะพบกับความสุขใจได้ไหมเดินกลางแดดเดินทำกลางความย่ลาลำบากนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วลองดูว่าจะปฏิบัติธรรมเจริญสติได้ไหมแล้วลองดูว่าจะมีความสุขได้ไหมซึ่งหลายคนพอทำอยิงกิ่งก็ทําได้ถ้าใจสู้สักอย่างถ้าใจบนก็ปอดก็แปด ก, ก, ก, ก็ไม่มีทางเจอความสุขความความความเป็นอิสระ จไม่เห็นคุณค่าของน้ําแต่ละแก้วที่ได้กินไม่เหคุณค่าของอาหารแต่ละมื้อที่ได้กินเพราะว่าแต่ก่อนมันมาได้ง่ายแต่พอมันยากมันได้ยากมันก็จะเห็นคุณค่าแล้วก็จะพบว่าโอ้จริงๆแล้วนี่ในท่ามกลางความยากลำบากมันก็มีสิ่งดีๆให้สัมผัสได้บางทีเราต้องระวังนะไอ สะดวกสบายบางทีมันพาเราไปสู่ทางลำบากที่ผู้หลงเนี่ยเขาจะมีมีพรานนะชอบวางแล้วนะแล้ววิธีวางแล้วเนี่ยนะเขาจะเขาจะผูกเชือกเอาไว้นะทำเป็นกับดักเอาไว้ในพงหญ้าตามทางลกๆแต่ว่าบริเวณที่จะไป ไปติด ก, กับของแล้วเนี่ยพรานนี่เขาจะทำให้ทางตรงนั้นมาสบายๆทำให้เดินสะดวกสะดวกรอบๆนี่มันจะเป็นหญ้ารกแต่ว่าตรงทางที่จะไปสู่แล้วเนี่ยเขาจะทำให้มันเรีย บ, เ, ยบเดินง่ายเพื่ออะไรก็เพื่อล่อให้สัตว์เนี่ยเดินทางนั้นเพราะมันสะดวกเพราะมันสบายพอสัตว์เข้าไปก็เสร็จพอดี แล้วมก็รัดรัดขาพอรัดขาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่พอดินเนี่ยมันก็ยิ่งแน่นนะยิ่งดินก็ยิ่งแน่นนะยิ่งผลักก็ยิ่งยึดนะตอนนี้อย่างที่พูดไว้เมื่อวันก่อนยิ่งไม่ชอบมันก็ยิ่งยึดยิ่งแน่นแล้วแล้วนี่เขาวางเป็นร้อยๆเลยนะเดี๋ยวนี้ไปวางแล้วตามที่ผูลงนี้เยอะมากเพราะว่าเขาต้องการ ราสัตว์บางจาพวกโดยเฉพาะหมูป่าแล้วก็นิ่มนะตัวหนึ่งก็สองหมืออกจากออกจากออกจากนี่ไปนะตัวสองหมืกิโลละสองพัห้กิโลก็สองห0ื่นไปถึงเมืองจีนก็หลายหมื่นทีเดียวคนจีนก็ต้องการนิ่มเป็นยาบำรุงไม่รู้บำรุงกําลังหรือบำรุงทางเพศนะก็เลยมากันใหญ่ะคราวนี้ นี่ก็คือวิธีการของพรานก็คือว่าล่อให้สัตว์มันไปติด ก, กับโดยการทำให้ทางมันสะดวกสบายอามานี่ก็เหมือนกันนะมานี่มันก็จะล่อให้เราไปติด ก, กับดักของมานยการทำให้ให้เกิดความสะดวกสบายนะพอสบายแล้วเนี่ยมันก็เพลินเพลินในความสุขทางวัตถุเพลินในความสะดวกสบายก็เสร็จเลยนะให้เราต้องระวังต้องตั้งต้องอย่าไปอย่าไปยินดีกับความสะดวกสบายมาก ต้องต้องพร้อมที่จะพาตัวเข้าหาความยากลําบากด้วยนะเพราะถ้าเราเพลินกาบความสะดวกสบายเราก็ไม่เติบโตเราก็จะไปติด ก, กับวัตถุแต่ถ้าเราตั้งคําถามว่า้ความสะดวกสบายมันดีจริงหรือไมนะ่มันทําให้เราเราต้องเห็นโทษกับมันด้วยอย่าเห็นแตข่ข้อดีของมันอย่างเดียวเรียกว่าอสสาทะอสสาทะคือข้อดีอลดอร่อยมันมีอะไรบ้างอาทินวะ ข้อเสียมันมีอะไรบ้างนะนะความสุขสบายก็มีข้อเสียเยอะแต่คนไม่ค่อยมองนะคนคนหนุ่มสาวสมัยนี้ก็ก็เลยถามนว่าทําไมต้องอยู่ง่ายๆทําทไมต้องไปใหญนะ่ทําไมต้องไปลําบากด้วยจริงๆมันก็ไม่ลําบากนะพออยู่ไปนานๆก็ไม่ลําบากร่างกายเราก็ปรับได้ชินได้อย่างคนที่เดินธรรมญาติตายเดินไปเดินไปสามสี่วันก็ปรับตัวได้แล้ว หรือพวกเรา เ, เนี่ยถ้าไปอยู่ที่มันลําบากกว่านี้มันก็ปรับตัวได้เองถ้าใจสู้ใจไม่ใจไม่ท้อเนี่ยใจไม่ปฏิเสธตั้งแต่แรกอยู่ไปสามสี่วันก็แล้วก็สบายหรือเนี่ยไปอยู่จังเนี่ยไปอยู่ตรงบนหอไตรน่ยกุฏิตรงหอไตรซึ่งคนไม่ค่อยไปกันเพราะมันลําบากเพราะมันไกลเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าเพราะมไม่มีน้ำนะลองไปอยู่มั่งนะไปเก็บพลลมที่นั่นดูบ้างยิ่งไม่มีไฟยิ่งดีเข้าไปใหญ่ไปได้สัมผัสความ ไม่สะดวกสบายแล้วจะพบว่าในนั้นมันมีมันมีของดีอยู่นะมันมีมันจะทำให้เราได้ได้พบกับนะความสุขที่ไม่อิงวัตถุนะถ้าไปติดอยู่กับความสะดวกสบายแล้วไม่มีทางเจอนะนเราต้องลองนะะ น, นี่คือผลทำไมพระต้องทุ ด, ดงนะพระต้องทุ ด, ดงเพื่อให้ไม่ติดที่ไม่ให้ติดวัตถุเพื่อว่าจะได้ไปเจอความลำบากมั่ง แล้วควาลำบากมันจะฝึกใจให้ให้รู้จักเข้าถึงความสงบทางกายอาทางจิตใจลำบากทางกายแต่มีความสงบทางจิตใจนะมันต้องเจอความยากลำบากถึงจะเจอความสงบทางใจได้เพราะไม่งั้นมันก็ติดกับความสบายแล้วก็เลยไม่ขวนขวายที่จะฝึกฝนตนเองอันนี้ก็ <c oughs> ก็อยากจะก็อยากจะฝากเอาไว้นะ <c oughs> เพื่อว่าเราจะได้เอ่า สามารถที่จะอยู่ท่ามกลางความท่ามกลางบริพกนิยมได้โดยเพราะในช่วงหลังนี้วัดเราก็นะก็เป็นที่รู้จักมากก็จะมีวัตถุเข้าม า, ยา <Yeah. S 1> เยอะแยะก็เรียกว่าลาบสักการละลาบสักการละนี่พูทเจ้าตรัสว่าเนี่ยมันฆ่าคนชั่วลาบสักการละฆ่าคนชั่วหรือละฆ่าคนงโง่ คือคนที่ยังไปเพลิดเพลินยินดีกับความความสะดวกสบายตัวมันเองไม่ได้เป็นสิ่งเป็นโทษนะแต่พอไปติดมาละเพราะว่าไม่มีปัญญามันก็กลายเป็นสามารถจะฆ่าได้คือฆ่าทางจิตใจอันนี้ก็ต้องฉลาดในการที่จะเท่าทันมันด้วยอา่าเราก็พูดกันท่านนี้กับพระ